ทสบายไม่ทำไปน้มือยฟังธรมอำ่านใจ <c oughs> ถ, า, ถ, า, ถามนิดเดีไหมเป้นทางให้ใจแจ่ม่ัวอยอะเส้นเยอะการปูธรรมะหรือการฟังธรรมะพิจารณาตัวเอง เพราะการเพจธรรมะไม่ใช่เพจนอกเหนือไปจากตายจากวาจาจากใจของเราเราะนั้นถูกฟังก็ต้องเยนาตัวเองอยู่นั้นในจิตอยู่ปัจจุบันต้ อ, องส่งไปทางหน้าทางหลังอดีตอนาคตการงานต่งตางๆที่เรานั่งฟังเรา ก, ก็ไม่ทำการงานอะไรนอกจากจะสงบจิตใจของตัวเองเพะนั้นเรื่องอดีตอนาคต อะไรเกี่ยวข้องปัจจุบันก็อีองยุิศึกูปเท่าเรื่องของเราจิดตรุงเป็นเรื่องทำหรือเป็นเรื่องอดทำอย่างไรมีคือการฟังธรรมะฟังทั้งภายนอกฟังทั้งภายในเมื่อเราฟังถูกเรื่องถูกลาแล้วใจจะสงบใจจะสดสลดสังเวกใจจะเบิกบานยินดีแจ่มใส ในความเห็นความเป็นของตนพระธรรมะเป็นเรื่องฟอกชำระจิตใจคือว่าบุญคุณเพียงต่างๆให้ใสสะอาดปุถิมีธรรมะถึงหลังตายทของทฉันจะแป่ขันไปตามธรรมดาของโลกหัวตามแต่จิตใจของทฉันเบิกบานยินดีแจ่มใสใม่มีอะไรที่จะคุณมัวเศร้าหมองนี่คือปุถิมีธรามะ ภายในใจของข ท, ท่านธรามะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านทุกคนควรสนใจผู้ที่ปราถนาความสุขความเจริญความสะดวกสบายในตนแล้วในควรมอง ข, าาข้ามธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะยังพวกเราท่านให้มีความสุขความสมหวังส่วนเรื่องอื่นนั้นพวกเราท่านถ้าพิจารณากันแล้วกอพอจะเห็น สิ่งทายนอกสิตใจใจท้องสิตจิตจงต่างๆไหนเป็นของกีรังอย่างยืนไหนเป็นของแน่นอนจินจังเพราะจิงเหล่านั้นมันมีอันแปรผันแปกสลายสามเรื่องของมันหรือมาอย่างนั้นตัวของเราเองเหลื่องขาดขันร่างกายของพวกเราท่านมันจะมีการแก่การแปรปวนและแตกสลาย สิ่งเหล่านั้นจะไม่หายไปแต่เมือ่อตายแต่สลายไปก็ไม่มีความหมายอะไรหรือร่างกายยังมีอยู่สิงเหล่านั้นแต่สลายไปจิตใจถ้าหาดรู้เท่าเข้าถึงธรรมะก็ไม่มีการหวั่นไหวเขา้าใจตามเป็นจริงของมันจิตใจถึงธรรมะนั้นมีความสุขความประเสิฐไม่หวั่นที่ตกอย่างโ น, น้อย่างนี้จิตผู้ที่มีธรรมะจรงเป็นจิต ตือหน้าสัาระบูชาหน้าสาวไหวเป็นจิตที่เหนือจาสผู้ที่ชนคนทั่วไปที่ไนเคยนเห็นในเจนในตัวย่อมสตาระบูชาเพราจิตเหนือจิตของเขามีเด่นเป็นสุขการฝึกจิตจึงเป็นอย่างสำคัญจิต หากไม่ฝึกไม่อบรมแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ถึงมีจิดอยู่ก็มีมีคุณค่าราคาอะไรเหมือนกันกับที่ดินหรือสิ่งของต่างๆถ้าหากเราไม่ทําประโยชน์สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่สันใจตามธรรมชาติของมันถ้าเรามาทําประโยชน์ที่ดินเป็นไร่เป็นนาเป็ น, หนเนหลือเป็นสวนก็ดีถ้าหากเราเอ า, เอาสิ่งต่างๆไปใช้ปลูกข้าว ที่ดินนั้นกว่าจะยังสืบผลนั้นให้เจริญขึ้นแต่สิ่งที่เราปลูกลงไปกว่จะได้รับผลสางใจของพวกเราสั่ขสมนั้นสมันเป็นประโยชน์เพราะทำเป็นความดีแถวนั้นจิตใจเป็นเรื่องสืบผลได้ตายจะเป็นเรื่องละหย่อนสืบผลได้เหนื่งกันในทาง อากัปิีวิญาในการทําการพูดต่างๆจะจะปรับปรุงในหลังใจของเราที่เกิดมาเพราะกรรมนั้นเช่นคนต่ําคนดําจะให้สูงให้ขาวคนสูงคนขาวจะให้ทำให้ดาไปนั้นแก่ไขยากนี่คือเกิดมาเพราะกรรมถึงแะใช้ได้ตัวนิ้นินหดหน่อยๆเรื่องของกาย เป็นมาชอบกรามแต่เรื่องของจิตเป็นผู้กระทํากรรมเอาไว้กรรมจิตทำไปโดยจิตคิดของจิตกระทาต่างๆัผิวว่าํามนโนกรรมภายในถัามีกําลังแรงสาดขึ้นมาก็สามารถผิดแปรบังคับกายกายจางให้พูกให้ทําสิ่งนั้นตามกํามเห็นของจิตตามกรรมเป็นของจิต จิเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีธรรมะต่อไปรักษาจิตนั้นโดยเส่วนใหญ่ต่อไปในทางขั้วทางเสียคิดลรุงไปในทางติดทางของงง้องทางเศร้าทางมองโหลกโกรดลงทุกระยะเวลาไมมีเมืองพอให้มีใจคิดไปอยากได้ถ่ายเดียวโดยในคิดกว่าเราจะจากมันหรือมันจะจากเราจิตของตกเราท่านคื่เศร้ามอง กินมัวต่างๆคิดคล่องต่างๆก็เพราะแม่เด็กที่เจรนาทำนะแ ม, ม่เด็กร้าจิตทำทำร้ายจิตเจรนาตามสภาวะกิงต่างๆตามเป็นจริงดดส่พระพุทธเจ้าจทรงแนสอนำพวกเราท่านถึงจิตใจจะยังไม่ถึงขั้นที่เส็มที่มั่นิี้ผานก็จะมีจิตใจเบิกบานมีจิตใจสงบสุขพอสมควรตามฐานะ ห, หน้าที่ที่เราขอพิสปฏิบัติได้ดังนั้นจึงควรฝึก อบรมสิตใจของคนถ้าไม่เึยฝนอบรมแล้วก็ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรคนเราก็ไม่แปลอะไรเป็นสัตวเพะเกิดมาแล้วก็มีแฉะมีตายเมื่อกันในระยะที่ยังมีลมหายใจเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่สัตวทั่วไปไหนเคยเรื่มใส่ไห่เคยยินดีไหนเคยทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์แก่ตัวของเขา เป็นเตัวว่าการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญเนตตาเพราะว่าน่ะสัตเหล่านั้นไม่เคยชิดในจิตในใจของเขามีอะไรก็กินไปอยากหลับอยากนอนก็นอนไปอยากทําอะไรก็ทําไปตามอำเภอใจีสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราข้าห า, ากเนตปรับปรุงจิตใจของตัวต่อไปในทางชั่วทางต่ำเหมือนกันกันกบสัตว์เพราะสิ่งต่างๆราคาปัญหาเราไม่เคยมี การศึกษาในมีโรงเรียนที่ไหนสอนกันแต่เกิดมาพอเตโตขึ้นมากอคิดปรุงใจในทา ง, างต่างๆนานาเหมือ น, นกันกับสัตว์ไม่เด็กปฏิบัติจิตใจว่าความสุขจิตจิตคิดปรงสรุงใจนั้นมาเป็นความสุขแบบไหนจะเป็นความสุขจริงจังหรือไม่หรือเป็นความสุขทิ่เกียวแสงไปด้วยญาติพีเนี่ได้เกี่ยวข้อง มาเข่าเราจะได้รับทุกหรือได้รับสุกอย่างไรโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดกันเพราะจิตมันซรงไปในแง่ไหนมุมใดก็มากหยาดแประตฤติปฏิบัติตามไปแบบนั้นมันจึงเกิดทุกเกิดโทษต่างๆต่อตัวเองและคนอื่นแต่นั้นทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้ศึกษาให้พิจารณาให้ฝึกบรมจิตจิตเทวดาดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุข ของผู้ประกอบปฏิบัติจิตนั้นไม่ใจคนอื่นเขาจะมาเห็นเพราะเขาไม่เป็นเขายอไม่ทราบจิตเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมเขาจะทราบได้แต่ี้แต่จิริยาชาทีอย่างนอกเท่านั้นส่วนความสุขจริงจังภายในสัมผันได้สัมเชนสัมเห็นสัมรู้คนเหล่านั้นสามารถที่จะทราบจะเห็นจะเป็นอย่างขั้นความสุขของใจนั้น เป็นความสุขละเอียดอ่อนเป็นคามสุขที่นักหลาดทั่วไปยอมรับว่าเป็นความสุขที่ดีลิเสเซ่ส่วนความสุขของี่เลดปัญหาความสุขของการคล่อจิตคิดตรงของใจทำมดาดังเกลียดแล้วมนุษย์เราก็เมือนคิดแตกแตกต่างอะไรกับสัตการอยู่าการกินการหลับการนอนการเกิดการเชิญการเลือ่องราชาปัญหานั้นสัตวั่วไปมันก่อ มีเหมือนสัต์กับมนุษย์แต่ทวามสุ ข, สสขโดยการศึกอบมจิตนี้มีมนุษย์เท่านั้นที่จะศึกษาอบรมตัวได้จับทั่วไปท่านเรียกว่าอาภัพธาตุคือสัตว์ในควนรศัตรูถึงจะปฏิบัติหรือจะเชิดจะสอนอะไรมันก็ไม่ส่ใจถึงแก่นของคำได้ถ้าพูดไส่ใจนีว่าเป็นอภัพธาต คือสัตว์ไม่ควรที่จะตัดสู้ยังเป็นสัตว์อยู่เมื่อไรจะปฏิบัติเอามรรคผลให้เกิดขึ้นในใจปฏิบัติไม่ได้เพราะเป็นอาภัพฆาสัตว์ส่วนมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นพับฆาสัตว์ควรตัดสู้ทหารทีนี้พิจารําชำระจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอาศัยธรรมในสมาธิเสื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าท่านพูดไปแสดงไปมีเหตุผลที่ตนท้องตนจะประพฤตปฏิบัติได้เมื่อที่นิ้ที่เจนาะตามธรรมมาแล้วก็ลงมือประฤตปฏิบัติตามธรรมมาของท่านที่แน่สอนเช่นใ่ที่เจนาะอนิจจังก็ต่างหนาต่างตาจิเราลนาใช้ตเนะนเองและคนอื่นายนอกทั่วโลกว่าอนิจจังเือวามไม่แน่นอน แต่ ว, วนเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู่ทั้งสิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นนามสิ่งที่เป็นรูปจะเป็นรูปสัตว์รูปบุคคลหรือรูปที่หน่มียิญญาณเช่นรถเ ร, รือหรือบ้านเลือนต่างๆก็มีการแจ่ปวนสัาค่าโดยการธรรมดาของมันส่วนนามธรรมนั้นหมายถึงจิตถึงใจถึงอารมณ์สัญญาภายใน เยวิธนาทุกทุกสังสารมันก็แปลปวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันอยู่เหมือนกั น, นหากเราพิ่เจณาอ น, นิจจังให้เข้าใจถึงความจริง่ยของมันสิงที่มารู้อ น, นิจจังมาเห็นอ น, นิจจังเป็นอย่างไรมันมีการแปลปวนเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราจะทราบจะเข้าใจสิงที่เหนือไปจากอ น, นิจจังทุกขงังความเป็นทุกข เป็นอย่างไรถ้าหากเราที่เจอใาตัวของเราให้เข้าใจเรื่องภายนอกขั่วไปมันก็เหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง้นได้ยากมีแต่จะแตกจากทางไป ต, ตามหน้าที่ของมันไม่มีอะไรที่จะตั้งมั่นท้าวเรื่อยไปแน่ภูเขาซึ่งเป็นของแข็งเราไม่สามารถว่ามันจะ เป็นอย่างไรแต่อย่างไรนั้นมันก็มีการพุ้พังเหมือนกันแต่อายุของมันนานเราไม่เคยเดือดดังเฉดและอายุเราสัน้นไม่สามารถที่จะคิดหรือเห็นได้ว่าสิงเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรแต่ความจริงท้าเราเข้าดังเฉดนั่นก็เห็นการพุพัง <c oughs> ของภูเขาสิ่งต่างๆทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นภาพขันของเราก็ทานองเดียวกัน ทนได้่ากนี่ใจแต่แต่แต่พังแต่จริงว่าทุกขังนี่หมายถึงทำทั่วไปถ้าทำภายในเป็นธรรมะชุดแต่ใจทุกขังก็คือถังอยู่ในจิตในใจของเราใจไม่รู้เท่าใจไม่เข้าถึงอย่างของธรรมะใจไปยึดไปถือใจจิตใจข้างจึงเกิดทุกข์ขึ้นภายในทุกข์มันขังอยู่ที่ใจของเราเราไม่ปล่อยทุกข์เรากอป่ ว, วยเอาทุกข์อะไรก่อของเราอะไรก่อ ่อเถ่อก่อดก่อหามก่อหอี้ยวยิงหนักเท่าไรยิงหอบยิงเหี้ยิ่งแดบยิงหามมันก็เลยขงอยู่นั้นทุกข์อยู่นั้นทับอยู่นั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะสุขจะสบายได้ในเรื่องทุกข์ขงภายในสเกเรื่องที่จะชำระได้เมื่อเราที่จะเรื่องทุกข์ภายในเข้าใจทัดเทีว่าทุกข์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร ในทางศาสนาพระบรมศาสดาถึงจนพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านรู้ท่านเข้าใจทุกให้กําหนดรู้ตามเป็นจริงข้างมันอย่าไปยึดมั่นพื่งมั่นจรงที่จะให้เกิดทุกข์ท่านอยาสมุทัยคือตัแหาท่านอยากของใจทาให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีท่านอยากของใจเท่านั้น มันก็ไม่มีอะไรเกิดทุกขึ้นนี่ความเห็นความเป็นของพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั่วไปผัานจิงเหรอละยองสมุทัยจิงที่ผิดทุกข์ให้เกิดเส้นเสียใจท้องตนการละสมุทัยนั้นจะต้องพิจารณาให้เขาถึงจริงจังจริงจะละได้โอเคเขาใจอะสมุทัยควรละละอย่างไรระคือไม่เหงาใจไปอยากไปติดไปคิดไปปรุงมัน ฟางกันง่ายๆแต่หากปฏิบัติย า, ากหักเราทหาบาทุกนั้นมันเกิดขึ้นเพราะธาดขันอันหนึ่งเกิดขึ้นเพราะจิตเพราะใจอันหนึ่งทุกธาตุขันไม่มีใครที่จะสามารถละได้ถอนได้พระพุทธเจ้าก็มีการเกิดการเกิบการตายเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลาย แต่ภายในพระไทยของท่านทุกภายในนอกจากขาดขันคือทุกเรื่องของใจท่านไม่มีเพราเหยดใดเพราะท่านรู้ท่านค อ, อยใจเรื่องต่างๆ ต, ตามเป็นจริงท่านเดิละความอยากของใจเช่นความแก่ไม่อยากให้มันแก่แต่จับปุงอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมันมาอยู่ในการบังคับบัญชาของตัวก็เกิดทุกข์ขึ้นท่านไม่ไคิด ที่จะปรับปุงอย่างนั้นท่านใส่ใจเรื่องของมันตามเป็นจริงว่าทุกของใจนั้นเกิดขึ้นจากความยึดความถือความติดความคล้องความไม่เข้าถึงทำมะจริงจังจิตยึดจิตคลองจิตติดในสิ่งต่างๆหรือว่าเราอ่ะของของเราชาหักลู่เท่าเข้ า, า, า ถ, ถึงจริงจังสึ่งต่างๆมันเกิดมามันจะมีกาแรแปลปวน และแตกสลายในร่ารูปว่านามมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจกันจริงจังทั้งภายนอกภายในภายนอกหมายเอาทั่วโลกภายในหมายเอากายเอาใจทของตัวเข้าใจจริงจังอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรก็อทราบตามเรื่องของมันแล้วใจก็ไปจิบไปคล้องไปเย็บไปถือไปเกาไปเกี่ยวในเรื่องเหล่านั้น ไม่มีกายจ ะ, ะแสดงอากัศจิริยาชาสีอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของกายซึ่งบังคับไม่ได้รูปังอนิจังรูปังอนาาัตตารูปเป็นอนิจังรูปเป็นอนาาัตตาถึงจะรู้จะเข้าใจขนาดชาัดเจนขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะละจะปล่อยมันได้มันเป็นไป ต, ตามธรรมชาติของมันแต่ผู้บารู้มาถึงนจรงเหล่านั้น มันติดข้องปัวพันมันยังยึงดยถือหรือไม่เมื่อมันบริสุทธ์ก็ทราบดีไหวจิตของตัวบริสุทไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดตัวของตัวเพราะร่างกายทั่วไปจะเป็นแขงเป็นขาเป็นแขนเป็นคอเป็นหูเป็นตาอะไรทั่วไปสิ่งสมมติในโลกหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เคยว่ามันเป็นเช มันม่ใจว่ามันเป็นสุข ถ, ถ้าจิตไมใจเยึบในเกี่ยวใจจุดนี้ ถ, ถ้าขึอะใจนะ้ำด้วยดีข้ยใจตามเป็นจริงแล้วมันสะดวกมันสบายมันหายจากการขล้องจิตคิดปรุงต่างๆไม่กลัวไม่กล้าจะกลัวอะไรธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอย่างไรก็สาบอย่างนั้นจะกล้าต่อสู้กับอะไรอีก ความจิตมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอีอย่างนั้นจิตแของทันเลยไหนมีก า, า, ารเต่การหมองการเสียการหายไปตามเรี่ยงต่างๆที่เสื่อมโมทมหรือแต่สลายไปมีเคือการจิดการอารมณ์จิกตการถอนส ม, มุทัยออกจากใจใจไหนมีความอยากใจเมื่อไม่มีความอยาก ม, ม, ม, มันก็หายเรื่อง ความทุกข์ของใจเรียกว่าใจเป็นม้โรที่ดับสนิททุกทางใจเช่นโศกะความโศกปริเทระการแหงใจทุกข์ขะความทุกข์ของายของใจโภมนัตความน้อยใจมันไม่มีใ น, นท่านนี่คือทุกภายในสึ่งเป็นเรื่องควรละ ก่อนปล่อยได้ทุกเกิดจากสมุทยัยทุกเหล่านี้แต่ท่านรู้ท่านเข้าใจอย่างนั้นท่านจะไมไ่ได้ทำลายธาตุขันอะไรของท่านปล่อยมั น, มม น, น, น, มนไป ต, ต, ตามเรื่องของมันจนถึงวันมันอยู่ไม่ไหวมันก็แตกสลายไปตามเรื่องของมันแต่ไม่หว่วงไม่หวง เ, งเหมือนพวกเราท่านในเรื่องธาตุขันเพราะท่านทราบท่านเข้าใจเราอยู่ในธาตุขันอันนี้ มีแต่ทุกเท่านั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นและเรื่องดับไปไม่มีอะไรอีกจะอยู่ไปนานเท่าไรก็เหมือนกันกันกบคนติดคุกนานเท่านั้นไม่มีวันที่จะสุขจะสบายเมื่ออยู่ในอัตภาพร่างกายมีแต่ทุกข์ท่านเข้าใจขนาดชัดเจนอย่างนั้นท่านจึงไม่มีการยึดไม่มีการถือไม่มีการติดการคล้อง แต่พวกเราที่ไม่ได้ชำะจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นเพราะธาตุชั้นเจ็บป่วยเพราะธาตุชั้นจะแตกสลายคิดตรงไปต่างๆนานาค้นที่นี้บ้านมีช่องมีเข่ามีของก็เอ๊ะเราลมหายายไปใครจะดูแลรักษามีลูกมีล้านก็คิดถึงลูกถึงล้านมีเข่ามีของก็คิดถึงเข่าถึงของต่างๆนาๆนาจิตใจเลยไม่เป็นอิสระแล้วถูกทุก ภายนอกลมเลี่ยไปเพราะใจเหนเื่อยสำลักสะสางใจเสียทุกไม่มีความสุขความสบายนอกจากนั้นถ้าหากเรา ย, ยังไม่ตายชีวิตยังยืนยงคงอยู่เรา ย, ยังจะได้สัง่งคุณงามความดียังเด็ดเด็จทํานั้นทํานี้คิดไปต่างๆนา น, นานความคิดเป็นนั้นแหละอย่าว่าตัญหาคือความอยากของใจเมื่อมีความอยากจริงๆแล้วไม่ต้องการจึงดับ อยาวบุวทษาวะตัญหาความไม่อยากมีอยากเป็นเป็นความทุกข์ความป่วยไข้ความจากไปเราไม่อยากเราไม่ต้องการแต่มันก็เกิดขึ้นมรดังหน้ า, ากับเราเราม่นมีวิธีออกเราม่นมีวิธีต่อสู้เราก็เลยเกิดทุกข์ภายในใจมากเข้านี่ความทุกข์ของปูู่่เน่จาร ะ, ะส่สางใจ แต่ผู้ที่ท like ra, una, ันเขาน่าสายตางใจชี different forma, different ้เจนาไปตามเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ไปต้องการอะไรอยู่ไปอีกหมือนปีแสนปีจะมีอะไรความดีที่เราต้องการเสร็จสิ้นเพราะความดีทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเรื่องคอปรากฏแล้วในจิตของเราจิตของเราไม่มีอะไรที่จะสำลักที่จะบำเพ็ญ ความความรู้สึกเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนในตัวของตัวเองไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะอยู่ต่อไปก็ไม่มีคุณค่าจะตายไปกบพร้อมอยู่เสมอไม่มีอะไรที่จะเสียหายท่งางใจยท่างอยู่ท่านจึงไม่คิดใน่ค่องในเจ้าไม่หมองมีความสดสิ่นเบิกบานมีความสุขความสบายในใจของท่าน นี่คืออนิสงส์การชำระจิตของตนในวันสุดมีความสุขความสบายอย่างนั้นพวกเราท่านในส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พิจารณาทำไม่คยศึกษาทำจิตใจจึงไปใฝ่ฝันลุ่มหลงเพิดเชนว่าจริงนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขโดดไปที่ไหนก็ถูก จ, จริงม้ที่ขู่ที่แห้งเหมือ น, นลิงที่โดดไปเนมองหน้ามองหลัง สิ่งไม้กระโดใสโดใส่ผลที่สุดถูกกิ่งไม้ที่แห่งที่ผุมันก็พังลงกิ่งไม้ที่เก็บไม่งเก็บสิ่งไม้มันไม่เก็บไม่ปวดอะไรเพราะมันมีหัวใจมีชีวิตมีเราก็เหมือนกันหยุดที่ไหนที่ได้ทุกข์นะธรรมะธรรมโมไปคิดบ่าอันนั้นจะสุกอันนี้จะสบายโดดไปใส่โดดใไปใส่ผลที่สุดโตแจะทุกข์แต่โทษพระพุทธเจ้า สอนให้พิจารณาภายในให้กำหนดใจกาหนดใจของตนคนขีน่มีสติที่นี้พิจารณาภายในปัญญาเกิดขึ้นจากการที่นีพิจารณาเรียกว่าภาวนาไมายะปัญญาสามารถตัดขาดจากที่เหลียดปัญหามีความสุขความสบายด้านโดยไม่ต้องสงสัยใครประพฤตปฏิบัตใครเห็นใครเป็นแล้ว ความมาของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแตรู้มาสองพันห้าร้อยกว่าีก่อตามหรือองค์อื่นๆที่ล่วงรับดับขันบาริสุทารไปแล้วจะเป็นหมื่นองค์แสนองค์ล้านองคกว่าตามเหมือนกันหมดความบริสุทธิ์ในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันเพราะเราเห็นเราเป็นในเราไม่มีทางเชื่อไขว่าพระพุทธเจ้าและสาวกผู้บริสุทธิ์จะเป็นอย่างไรนี่คือใจ ถึงอาจถึงทำที่แท้จริงไม่มีอะไรแต่สงสัยไม่มีอะไรที่จะปราถนาต่อไปผัานจริงหมดการยุ่งการจิตในชีวิตในความเป็นอยู่ในโลกทั่วไปใจเป็นใจบริสุทธิ์เมื่อใครฝึอกอบรมใจใส่ถึงขีดิ้งฐานได้อย่างนั้นมันสุขมันสบายมันใจเสถมันสงบ นั่ติฉันตุพลังสุดขังสุดนี้ไม่มีสุขอื่นใดในโลกอันนี้หรือโลกอื่นจะสุขยิ่งเวยวดกว่าความบริสุทธิ์ของใจขอทุกท่านหมั่นที่นี้ใจนาะศึกษาทางศึกษาของจิตของใจทางชาระจิตชำระใจของตนก็ชาระ อยู่ตัวของตัวเองที่นิพพานาตามเหิดผลความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในตนไม่ต้องไปแบกบสำหรับตำราไปพ้นหาจากคำพีที่ไหนเพราะที่เดือดสัญหาไม่อยู่ในคำทีโบราณมัดผลไม่ได้อยู่ในสู่ในหีบในคำทีมัดผลก็ดียื่นสัญหาก็าดีมันเกิดขึ้นจากอิดจากใจฉะนั้นเมื่อผูก มีสติทีนิ้พี่เจนะภายในที่ไหนคือว่าดูข้าใจพิดกข้นข้าใจพิดกเรียนจบข้าใจดีดกเื่อจิตใจฟ้องตนยอมรู้ยอมเข้าใจพาสูตรภายในพระปรมหมายถึงใจถึงรายจาทถ้งจิตแ้วเดี๋ยวทีนี้พี่จนะเป็นมมีอะไรติดของในโลกเราจะไปสงสัยอะไรถึงอ่านมออกเขียนเลยได้ กไม่มีอะไรเสียหายสมัยพุทธกาลยังไม่มีตํานานเรียนกันสอนกันบอกกันด้ยวยปากจนศาสนาล่วงมาระยะเวลายาวนานยังเคยมีตําราเกิดขึ้นท่านฟังแล้วทีนี้พี่แกนะ่ะกายวาจา ย, ายจายิตของท่านความเห็นความเชื่อก็เกิดขึ้นความรู้ความ ชาติลาภของจิตก็เกิดขึ้นความเคยพุ่งปรุงจิขงตข้องเต้าหมองเป็นอย่างไรเราเคยเห็นเคยเป็นในจิต ใ, ใ, ในใจของเราเมื่อมาประปฏิบัติธรรมดีในเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาชำระแก้ไขใจที่เคยพุ่งปรุงจิขงตข้องเจ้าหมองต่างๆหายไปจางไปจนชำระได้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาพอเห็นพอเป็นในตัวของตัว ตามไม่สงบพุ่งปรุงเราก็เห็นความสงบเย็นเย็นเราก็เจอจะไปถามใครความติดข้องของใจแบบความหลุดพ้นของใจตัวทํานองเดียวกันเพราะทำเป็นปัดดัดตังทําเป็นสันที่ตีโกกที่ผูกแตเพื่อปฏิบัติจะรู้ใจเห็นเดชเป็นเองทางนั้นเพราะแต่นั้นทำจะเป็นสมยัยใดกอตามก็เป็นธรรมอยู่อย่างนั้นกิเลสก็เป็นที่เลดอยู่อย่างนั้น และทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เกิดมีขึ้นจากลมปากของคนไม่ไเกิดขึ้นจากตำหลับตาราเกิดขึ้นจากจิตจากใจฉะนั้นพูดอ ท, ที่นี้พิ่เจณาใจของตนเมืม่อโลกเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นเรามีสติยับยั้งจิ่นี้พี่เจนะภายในอย่างไรใจจึงสงบใจจึงปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านจะนำ ธรรมะมาพิจาจนามันโลภอยากได้รุมหลงเพิดเพลินจนมัวเมาเศร้าฝันหนักเข้านอนไม่หลับรับทานไม่ได้เขาความโลภของจิตของใจเราควรจะพิจารณาอย่างไรโลภเหล่านั้นจึงจะหายไปจากจิตจากใจของเราเขาหลงตามเรื่องเราไหมหรือเป็นเรื่องเราเ อ, องหลง หลงแล้วได้อะไรจับความหลงความอยากแบ็นนั้นคนเกิดมาที่มีชื่อเรื่องปันหามันเหมือนกันหมดเกิดมาใครก็อยากได้จะแสวงหาสิ่งต่างๆนานาไมยว่าด้านอะไรทั้งหมดพอที่จะทำได้หาได้จะแสวงหากันม่เด็กพักเด็พร มุ่งมั่นอยากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในโลกอยากจะครองโลกพูงดง่ายงแต่ใครเล่าที่เกิดมาได้สมปราิถนาของเขาสมบัติที่เขาหามาเมื่อเขาลมหายตายไปขอบขี้หาถามไปไหมทำไมถึงไปลุ่มไปหลงไปเถอนไปเทนไปผิดไปคล่องเป็นตัวเองเกิ ด, เเกดทุกข์เกิดโทษเรื่องสร้อยหาพระพุดดะทธเจ้าไหมาะขาด แสดงหาถูกทำแต่จิตใจให้อยู่เหนือสิ่งของได้สิ่งของอยู่เหนือจิตใจถ้าสิ่งของอยู่เหนือจิตใจมันจะทักผมจิตใจของตัวให้หนักให้หน่วงให้เบียดให้เหนื่อยใส่ทุกข์ให้โทษถ้าหากจิตใจอยู่เหนือสิ่งของเราอยากจะจ่ายใช้สอยอย่างไรก็จะจ่ายท้ายสอยกันไปสะดวกสบายมีการที่จะละโลก จากหิตจากใจได้ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาว่าสิ่งต่างๆถิ่จะโลกอยากได้มั่นไมย้ยึดถือขนาดไหนก่อตามจริงเหล่านั้นไม่มีใครที่จะหยิบยกขอบเชือกหาหาไปได้พายานเห็นกันถั่วไปในแบาชาติไหนภาษาไหนเขา ย, ย ức, ขึดเขาถือเขาอยากได้แสวงหาแตเมื่อเขาตายไป ในว่าที่บ้านที่ส่องในว่าเขาว่าพร้องในว่าไล้สวนที่ดินที่ไหนเขาหาผิวออกไปจากอกไม่ได้ถ้าเขาเอาไปได้ใน่ีีที่อยู่ที่อาศัยสัตว์เกิดมาใหม่ท้ายหลังไม่มีที่ไหนอาศัยไม่มีที่เกาะเพราะทุกของทุงแหงใครมีตัดเกิดมีคนเกิดมาแล้วเขาหอบผิวหาถามนี่หมดนี่ไในเจนอย่างนั้นจะล้มขนานไหนจะล้มไปเถอะ ไม่ค่ะ ท, ที่จะหอบหิวหาบถามไปเป็นใจค้องตัวอย่าให้ลุมล่มหลงยึดถือเกินเหตุเกินผลเกนตัวเองเป็นทุกข์เมื่อพิจนรณาเข้าถึงหลักความจริงตามเป็นจริงแล้วใจมันจะละใจมันจะวางใจมันจะปล่อยความโลภนั้นใจก็เ บ, บาใจก็บส บ, บายเหมือ น, นกันกับเราหากเราถามของหนักๆมา เมื่อเราวางจากบ่าของเราไปเราก็สบายเราก็เบ า, เร า, เ, บาเราก็เป็นสุขมีจิตใจที่หอบหิวหาบหามยึดถือสิ่งต่างๆก็ทำนองเดียวกันจงพิเจนาสอนใจท้องตัวพิเจนาหาธรรมะชำระใจใจจะดเท้าใจจะสะอาดใจจัดผ่องใสใจจะสะงบธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของทันสมัย เป็นของคนทุกเพศทุกวัยจะประพฤปฏิบัติหากคนใดมองข้ามธรรมะว่าธรรมะไม่เป็นของสำคัญคนนั้นจะไม่ได้รับความสุขความสบายคนนั้นแหละเป็นคนไม่สำคัญคนนั้นแหละเป็นคนเสื่อมเสียต่างเห็นธรรมะเป็นของสำคัญตัดการแตะทาการพูดการคิด ของกายลายใจจิตของตัวเข้าไปหาธรรมะคนนั้นจะเกิดเป็นคนตั้งคันขึ้นทั้ทงๆคี่ท่านไม่มีสติสัญญาวิชาความรู้อะไรอื่นทางโลกแต่ก็มีความสุขความสบายมีผูกไทยวบเลื่อมใสเพราะการกประฏิบัติภายในของท่านเป็นเคื่องดุลดูดจิตใจของมนุษย์และสัตว์ให้เกิดความเลื่อมใส ความยินดีเป็มใจในท่านผู้มีธรรมเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาท่านจึงว่าทํารักษาผู้กว่าพืชรมไม่ให้ตกไปในสิ่งชั่วแต่ตกไปในสิ่งใดฐานใดเขาชั่วเขาเสียอย่างไรแต่ใจของผู้มีธรรมผู้กว่าพืชปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้ชั่วไม่ได้เสียไปตามสถานที่หรือบุคคล น, นั้นนั้นท่านจะมีความสุขความสบายเกี่ยว่าสุ ข, ขาโโลกาวิถู เพื่ทั้งเมื่ออยู่ทั้งเมื่อไปนั่งก็สุขนอนก็สุขยขนนขขขืนก็สุขเดินก็สุขอดก็สุขกืนก็สุขเช่นก็สุขตายก็สุขไม่มีอะไรทุกข์นี่คือสุขัตตโกสีภ พ, พุทธเจา้ารืออริยส า, าวกผัณจสดพบิเสนโลกวิเทวุตเจ้าโลกอันนี้ไม่มีอะไรปิดบงังโลกมันเป็นอย่างไรเดีพี่เจ น, นะภายใน เคยติดใจท่องตนเข้าใจชัดเจนว่าอาดีตที่ผ่านมาปีแสนสิล้านปีอนาคตที่จะมีต่อไปจะเท่าเราต่อตามหรือปัจจุบันมันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยอนยจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่มีที่ไหนลุ่มไม่มีที่ไหนดอนมันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตและปัจจุบัน แล้วจะไปหลงโลกอะไรอีกโลกภายในอย่าิดเจนาอย่างเข้าใจอย่างนี้เป็นจริงอย่างนี้จิตภคมิโรู้มาเห็นทราบัดว่าไม่มีอะไรที่จะปฏิบัติแก้ไขไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกนี่คือจิตเป็นโลกกวิถีทูลูกจ้งโลกภายในคือภายในใจของตัวไม่มีข้อสงสัย ไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพ็นความบริสุทธิ์ความเพีข้องจิตการทราบท่านเข้าใจจึงไม่มีอะไรในโลกที่จะสงสัยขัดข้อง ม, มีมีอะไรที่จะให้ทุกข์เป็นสุขะโตเป็นโลกาวิคูอยู่ตลอดกาลตายไ ป, ไปจะไปที่ไหน ไม่มีการสงสัยเพราะปัจจุบันเข้าใจชัดเจนอยู่นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปก็คือยังไม่ถึงจึิงไปจะไปหาก็คือยังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการอยู่ไม่มีการหานะสิ่งนอกนี้คืออะไรท่านเข้าใจ พะมันเหนือตอมมติ น, นี่อานิสงเกิดขึ้นจากการที่นิพพยานาการเกิดขึ้นจากการประปฏิบัติของท่านท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นในจิตท่านจึงไม่มีอะไรสงสัยในกลัวอะไรในโลกเพราะถึงที่สุดแต่จะเป็นจะรู้จะเห็นอย่างนั้นก็อาศัยการที่นิพพยณาการศึกษาการประบัติปฏิบัติความปิดขอ้องเจสามองของใจความ อยากได้ไม่ต้องกลัวต่างๆพิ่เจนะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรมันตายผู้ตายมันกลัวไหมเนี่ยนังเอ็นกระดูกมันไม่กลัวนะเอาไปเผาไปฝังไปถิ้งตายช้าไม่เห็นทิ้งโซ่ไปบ้านไปสอบทิ้งทีไหนก็อยู่ที่นั้นทิ้งที่มันกลัวมันเคยตายไหมเมื่อมันไม่เคยเมื่อมันไม่เคยตายจะกลัวอะไรพี่เจนะเขาเข้าถึงใจมันจะหายไปเองมันหลอกตัวเองให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่คนอื่นมาหลอกเราเชื่อเรื่องของมันเราก็จะทุกข์ดีเลื่ยไปอย่างนั้นใครจะมาแกให้นอกจากเราจะแกขายตัวของเราเองเราถือจใจคนอื่นกินให้อิ่มมันเป็นหน้าที่ของเขาอิ่มท้องของเขาเราต้องแก้ของเราให้ขาถึงจุดจริงจังมันจะหายไปจะมีอะไรเกิดอะไรตายในโลกนอกจากสมมติเท่านั้นมันต่จากชัดเจนในจิตในใจ การแต่เพื่อปฏิบัติธรรมะมีอนิสงส์มีความสุขความสบายภายในจิตในใจอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงนําไปที่นิพเพยนาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาต่เพื่อปฏิบัติความสุขความจเจริญก็จะเกิดมีแก่ทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาและปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเ ก, รกิเวลาพอจะจิตเช่นเช่นนี้เรียบร้